เป็นเครือบน้ําตาลออกมาพร้อมมาพร้อมที่จะให้สัตว์ทั้งหลายติดพันหลงกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างหยากมันก็เครือบไว้อย่างหยากอย่างการะละเอียดละเอียดขนาดไหนมีเครือบไว้เสร็จไว้เสร็จไม่มีทีจิลิตัวใดที่จะไม่เครือบน้ําตาลเป็นเครื่องร่อไว้กับกิริยาของมันขึ้น ปลักดันออกมานี่แหละที่เป็นหน้าท้อใจออกมากนะพระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรกขผลนิพพานนี้พอเป็นเอกเทศบ้างซึ่งจะควรทราบพลภัย์ของมันที่อยู่ภายในซึ่งถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้เคลือบเอาไว้ตามขนาด แห่งกลสที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเคลือบน้ำตาลล่อรลวงสัตว์โลกของีิเลดมันจะเคลือบไว้เป็นชั้นๆชั้นๆมาเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะาท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จําให้ดีโน่นถึงขั้นเวลาจิตมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมสิ่งอันนี้จะค่อย ปรากฏขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มาเป็นลำดับแล้วก็จะเริ่มเห็นพิษเห็นไผ่กันมา <c oughs> ถ้าไม่มีการอบรมจิตใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกี่กันเบื้องต้นเบื้องปลายของวัฏวุที่เครือบด้วยน้ําตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยิติลงโดยลํำพังตนเองเลย จะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนั่นแหละนี่รหละที่พระพุทธเจ้าทรงท่อพระไทยคือมันมองเห็นตัวภัยจริงๆไม่ได้เลยของจัว์โลกเพราะเหลือกตัวเครือบน้ำตาลมันไม่ให้มองมันให้แต่ความพอใจเป็นเครือบน้ำตาลออกมาออกมาหมด <c oughs> เนี่ยสาคัญมากแล้วเวลานี้ศ <c oughs> าสนาก็ค่อยเป็นเกาะเป็นดอนหดโยนเข้ามามากเข้ามามากเข้ามาแล้วนะคือที่เหลสมันห้อมล้อมมันตีตลาดเข้ามาเรืเ่อยเรื่อยเรื่ยไม่ให้มองเห็นเลยนะคือก่เหล่นี้ตีตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัว มันมาทุกแงน่ทุกหมุมไม่ให้รู้เลยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องมือของจิต เ, เป็นกลุ่มวายของจิตที่มาลบล้างทำมันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสันโลก มีน้ำหนักขึ้นทุกวันๆ ก, กระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ทันนะลําพังสติปัญญาธรมรมดาที่มองไม่ทันมันออกทุกแง่ทุกมุมนี้จะเกลี้ยทอมล้อมภายในจิตใจอยู่ตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่อลวงภายนอกคุณมายาขอขมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางภายในนี้ก็ เรื่อความหลงก็มีแล้วพักกับใจของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากนี่มันสอดมันแทรกมาทุกแง่ทุก ม, มุมความทุกข์ความสทรามานก็รู้ทุกสัตว์ทําไมใจเป็นนักรู้จะไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นโทษของมันโทษ ก, ก็ยอมรับว่าทุกลิีกนกังวลกังวายกะเสือกกสนจนถึง ขั้นลงขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์นี่ว่ามาจากไหนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจ <c oughs> คือให้ดูใจใจนี้คือมหาไัยเนื่องจากกิเลกตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากเกี่ยวจนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี่คือใจแช่มันมีแต่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 เรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยลู่เนื้อลู่ตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นเริ่มตั้งแต่ฟุกใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือกิเลสมันไปออกไปเตี๊ออไปจิตมันจะฟุ้งเพ้อเหื่อหืม ด, ดิ้นตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอ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 ผู้จะค่อยระ ง, งับดับความฟุ้งเฟอ้อเหอเหอิมที่เป็นฟืนไสซึ่งกิเลสมันกลักดันออกไปให้ค่อยทราบก็ามาบีบบังคับมันอยากคิดเรื่องนอกอะไรความอยากนี่ให้ถือว่าเป็นภัยอย่างยิง่งต้องเอากันขนาดนั้นไม่งั้นเอากันลงไม่ได้นะจิตเข้าสงบไม่ได้เป็นสมาธิความสงบเย็งใจบ้างไม่ได้นะถ้าไม่ใช้สติปัญญา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 เป็นพุโทโธพุธโทโธให้ตั้งหลักเกณฑ์ น, นั้นยาหวังมักหวังผลเไรนอกจากคำว่าพุโทโธกะสติกระะกมกลืนกันด้วยความเพียรนี้เท่านั้นนี่แหละรลากฐานเบื้องต้นที่จะระงับดับความฟุ้งเฟอ้อเหื่อหืมดิ้นรนกวดแกงของจิตได้ด้วยอำนาจแห่งคำบุิกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยคิดเกปุงนั้นเป็นสังขารของสมุไทไยก่อไฟเผาตัว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 ตั้งแต่ที่เคยเก่าให้หมู่เพื่อนฟังมา 2,493 <c oughs> ฟ้าดินถล่มในหัวใจนี่ก็คือกิเลสพังลงจากหัวใจนั่นเองที่ใจมืดมิ ด, มดปิดตามีแต่กิเลส ท, ทั้งนั้นนะเวลาดได้มันกะจ่างขึ้นมาแล้วถึงไดเ้เห็นโทษของมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะสว่างสวยมากน้อยไม่เต็มเม็ดต็หน่วยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคือกิเลสอย่ขวางปิดบังเอาไว้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 พอตื่นขึ้นมาก็ทํางานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาติของจิตที่ทํางานนี้เป็นวัตจักรโดยอัตโนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้โดยกันเท่านั้ น, นเวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่ออัตตธรรมจริงๆแล้วเราต้องได้ใช้ความเข้มมั่มกขวดขันความอดความทนต่อต้านกันเหมือนเขาขึ้นต่อยกอนกันบนเวทีนั่นแหละ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 โกงกรรมวัจักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคำบริกรรมต้องห้ามกันอย่างหนักนะ <c oughs> เอาพุโทโธเท่านั้นนะไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะแล้วบริกรรมคำไหนก็ตามตามจะดีนิสัยที่ชอบแต่นี่ผมบอกออกมาคำว่าพุโทโธเป็นจุดศูนย์กลางสังหารส่วนที่เหมาะสมกับเจดนิสัยนิสัยของผู้บำเพ็ญในธรรมบทใดให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักมีสติจับอยู่จุดนั้น <c oughs> อย่าปล่อยอย่าวางที่อยาอาการที่เคลื่อนไหวไปมาคําบริกรรมกับจิตกับสตินั้นให้ทํางานตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ทําความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะอย่าถอยก็แล้วกันนี่แหละการตั้งรากฐานเบื้องต้นตั้งยากนะตั้งยากเหล่านี้ผมได้ทํามาแล้วนะไม่ใช่มา สอนหมู่เพื่อนแบบงูปปานะ่ะทำมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปีกว่านั่นนะเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญหาพามกองทุกแแบบกองทุกนี้ไม่แหไม่มีกองทุกใดที่จะมากยิ่งกว่ากองทุกของจิตที่เจริญแล้วเสือมเจริญแล้วเสือม ซึ่งปรากฏูดตหัวใจของเราจงกระทั่งถึงความเฉดหลับเลยถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลับขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเข้าว่าคราวนี้จิตจะเสว่มไปไมาได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่คือมันอาจเป็นได้นะสําหรับนิสัยของผมนีมันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโคที่กัดนั่นแหละมาเป็นตัวอย่าง ท่านฆ่าตัวเลี้ยงตายนะเพราะจิตท่านเสื่อมในครั้งนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมก็คือสมาธินั่นแหละเสื่อมฌานน่าก็แปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั้นมันเสื่อมไป <c oughs> ทีนี้ไม่มีตัวจุดไหนที่จะจับจะคล้องจะแวะจะอาศัยพึ่งผิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าวิเวษเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้นโดยชายเดียว โดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังสมหวังว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้ไม่มีนั่นละกองทุกเกิดขึ้นเวลานั้น <c oughs> <c oughs> ท่านแสดงไว้มีถึงห้าครั้งหกครั้งนะพอครั้งสุดท้ายท่านก็เอานี่โกนมาชฉนขอเลยในอันนี้ในตำราพูดไว้ไมช่ชัดเจนนะแต่เราก็เข้าใจ เวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตำราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นงัวมัวอยู่มันพูดถึงเรื่องพระโคติกัดในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีนถึงกขนาดที่ว่าเอามีดโกนมาฉวนคอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความพิพจารณาท่านมีปัญญาของท่านอยู่แล้วเลออนั้นเป็นอารมณ์แห่งธรรมพิจารณานั้นตรัสรู้ขึ้นมาในเวลานั้นไปได้เลย เนี่ยที่ว่าพญามารมาคุยเขียขุดค้นหาจิตวิญญาณของท่านเพราะพญามารมันไม่พอกับความโลภมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมือของมันมันเป็นนายใหญ่เรียวกับพญามารที่นี้จิตพระโคดที่กัดหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมันจึงต้องคุยเขียขุดค้นอย่างสุดเหวี่ยงเลยปรากฏในนําตาราว่าความมืดมัว ของดินฟ้าอากาศกมืดไปหมดพราฤทิ์ท้องพญา ม, มารคุ้ยเคียวขุดค้นหากิตตัวิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าได้มาปําหลาด ป, ปราบปรามเอาว่าพระโคติกัดเธอจะมาคุ้ยเขี่ยวขุดค้นหากิตติวิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นลูกของเราแต่โคตรนั้นเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะพระโคติกัดช่องเราได้หลุดพ้นจาก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 มันรู้สึกว่ามันขี่ขายแล้วถ้าขี่ขายไปเพื่อจะมัดหัวเราด้วยอำนาจของเจเลตหลอกลวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะเนี่ยจึงต้องในใช้บทหนักในขั้ น, นทุกคนเอาให้จริงนะนี่แหละการทรงมัดทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอนอืมมี่ผมได้พูดมาเป็นตัวอย่างแต่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้จุดนี้ถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวาง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 เพราะแต่ก่อนเราไม่บรกรรมมีแต่สติตั้งรู้ว่ายิ่งเฉยมันอาจคิไปที่ไหนห้าโลกธกาตุก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราเราจึงคลิกเป็นนูบายใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะเอาพุทธโธเป็นหลักตั้งเลยเอาเป็นก็ตามตายก็ตามจะอยู่กับพุทธโธเสื่อมก็ตามจเจริญก็ตามเราจะให้อยู่กับคําว่าพุทธโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาตั้งหน้าธรรมในงานปัจจุบัน ได้แกพุโทโธพุธโทโธคือใจเรามันเป็นอย่างไงงั้นจริงนะมันไม่เหล่อแหลกนะพอวัดตั้งหลักลงกับคำอาบุตรโธโรปรงใจกับคำอาพุโทโธทีนี้พุโทโธตั้งแต่ขนาดนั้นไม่ให้เผลอเลยนะไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่อยอมให้เผลอเลยอในระยะที่ตั้งติดขึ้นมาใหม่นี้ผมอยู่คนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ปูจานไปเผาศพหลวงปู่เสา <c oughs> ผมอยู่คนเดียว <c oughs> บ้านนาจีนวนวัดร้างเขา <c oughs> งานยิ่งสนุกทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธพุทโธตลอดจนกระทั่งได้รู้ชัดในคบริกรรมพุทโธโธนี้เวลาจิตละเอียดเขาไปจริงแล้วคบริกรรมหายหมดนะเนี่ยก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกระหัวใจเจ้าของเอง <c oughs> บริกรรมพุทโธพุทโธยัน้นเดียเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วเนื้อคบริกรรมไม่มีเลยไม่ออก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 แล้วก็ทราบรู้วิธีปฏิบตัติเอ้ามันหายก็อยู่กับความรู้เสียเนี่ยเมื่อรู้แล้วให้อยู่กับนั้นพอมันคี่คลายมากก็คำบริกรรม ก, ก็ติดเข้าไปสันทีสติติดแนบตลอดเวลาทั้งที่บริกรรมได้หรือไม่ได้สติขาดไม่ได้งา <c oughs> นหลักที่นี่มันก็ตั้งหลักได้ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละ เพราะอำนาจแหงความบีบบังคับจิไม่ให้คิดกับสิ่งใดนอกจากคำบุญกรรมอย่างเดียวสนั่นนี่มันบีบบังคับขีดเส้นตายให้กันเลยนะนสายเรามันจริงจังมากเราพูดจริงๆนะเราไม่หลอดเลยนะทำอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะ <c oughs> นี่ก็ตั้งนะขั้นต่อมามันก็แน่นหนามันขุ่งขึ้นเลยเลยคพอพอถึงขั้นมัน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 แนว่วแน่เขาไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยค่อยจับจับจุดได้อ๋อนมันเสื่อมเพราะขาดคำบุญกรรมน่นเสื่อมเพราะเห็นนี่เองน่ที่มันไม่เสื่อมจากนั้นก็ น, นาเนื่องขึ้นไปเรืเ่อยบจนกระทั่งฟาดจนเต็มเหนี่ยวได้กำลังเป็นสมาธิขึ้นมาพันหัวใจอย่างเด่นอยู่ที่ไหนก็เด่นเรื่องความรู้สตัตติติดอยู่กับความรู้ถึงไม่บริกรรมก็ให้ติดอยู่นั่นที่นี่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 อใครจะชื่อว่าพระนี่เลยเทบุตรเทวดาไปได้แต่นรอกเวจีมันก็นเผาพระอยู่ทั้งๆ ท, ที่ว่าเป็นเทบุเทวดานั่นแหละเพราะกิเลสไมไ่กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมตอนนั้นถ้าสติทำจับบังคับเข้าไปแล้วมันจะยอมให้พากันตั้งใจจุดนี้เป็นจุดสำคัญให้ตั้งหลักรากฐานไว้การพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนําส อ, สอนหมู่เพื่อนนะได้ทํามาแล้วเห็นผลประจักษ์มาเดือนแบบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจาก กอไก่กอากาที่ว่าพุดโธพุธโสร์แล้วแนไม่ปล่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งเคยก่อขวนและถุดรากเราออกไปออกไปมันก็เบาไปเบาไปดืมสมถะธรรมเป็นโอชาลดของใจก็สบายสบายสบายนี่มีทางเดินแล้วที่เรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยผลักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเมื่อกี้ไม่กีบ ป, ประเพณี เผาหัวใจนั้นมันก็จางไปยางใงสุดท้ายมันไม่สนใจความสงบนี่มีกาลังมากขึ้น อ, อยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีไวกวนใจความคิดตุงแย้หนึ่งขึ้นมานี้เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดตุงนี้เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่แหละที่ว่าติดสมาธินะ่ะคือคิดแบออกมานี่ มันกวนใจแล้วกวนใจแล้วจิดอยู่ในความนุ่งหนึ่งแน่วตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้สนใจกับมืดกับแค้งอะไรน ะ, ะมีจะอยู่เพลินอยู่ในนั้นในความนุ่งที่สงบตัวแน้วตลอดเวลานะไม่มีอะไรเข้ามากวนนี่จะเรียกว่าอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้ว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 ตามที่ท่านถุดลากออกไปแล้วนั้นก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋ออ๋อไปเรื่อยนะเพราะอ๋อเรื่อนี้ก็ค่อยเริ่มแล้วนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาคเพียรความสนใจต่อความเพียรทางด้านปัญญานี้มันจะหนุนตัวเข้ามาเองมาเองจากนั้นก็เพลินทางด้านปัญญาเลยลืมพักสมาธิไปดีไหมดีมันก็หาว่าสมาธินอนตายเฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหาค่ากิเลส สมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสเพียงตีกิเลสตล่ำเข้ามาเพื่อความสงบไม่กวนใจเพียงเท่านั้นนะ่ะแต่การฆ่ากิเลสนี้ฆ่าด้วยปัญญามันจะเห็นผลของการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาแล้วก็เพลินกับการฆ่ากิเลสลืมพักสมาธิไปเสียนี่มันไม่พอดีนะสําหรับนิสัยผมมันผาดผลจริงๆ <c oughs> นี่ก่อน ถ, ถูกท่านล้างเอาไว้อ่อเกี่ยวกับเรื่อง เดินปัญญาเกินเกินเหตุเกินผลท่านก็ล้างเอาไว้ไงท่านถ้ามันหลงสังขาร น, นั่นแ่ะสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนั้นมันเป็นสมูทไทยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นนะสังขารเป็นปัญญานี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสมูทไทยมันแทรกกับไม้สังขารนั้นกลายเป็นสังขารสมูทไทยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเสียท่านทีงให้ล้างเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้วออกกางนั้นปัญญาเอาหมุนเลย พอจิตเนยเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่ามีกําลังมองชาอ่อนลงแล้วให้เข้าพักสมาธินั่นนี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บําเพ็ญเหมาะสมมากทางปริยัตยท่านก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อย ไ, ไปสนใจอะไรกับปิยัตยมันหมุนตัวของมันด้วยความดูดดื่มนั่นแหละเวลามันจะตายจริงมันก็เข้าพักสมาธินี่ยการบําเพ็ญ จ, จิตใจเมืองต้นยากนะเอาให้จริงให้จังยาเราแหละนะ <c oughs>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 ด้วยความเพียรนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์ด้วยน้ําอกทเหลือทุกข์เพื่อมาหันตัทุกข์เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญลุ่งเรืองพาในใจ <c oughs> จากนั้นพอปัญญาเก้าขุนแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างนะไม่ได้เหมือนสมาธินะสมาธินี้เหมือนน้ําเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้าเต็มแก้วจะให้ทํายิ่งกว่านั้นไปอีกไม่มีชุดฉีดอยู่สั้นๆเราเป็นแล้วทํายังไงมันก็ ลงแนวอยู่จุดเดียวติดเดียวสุดท้ายก็ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมา น, นิพพานว่าเป็นความรู้โง่โง่งหมูความรู้หมูค้นเสียงด้วยสมาธินเสียเนี่ยพ่อแม่ครูจามาลากออกมันจึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันพี่กายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยมันปล่อยของมันอ๋อข้าที่ค่าอย่างนี้ะแล้วก็เพลินเรื่อยเรื่อย เพลินทางด้านปัญญานี่เพลินเพราะความพ้นทุกข์เพลินด้วยความเห็นไัยจริงๆเพลินอย่างนี้นั่นรู้แล้วนะหมุนกิ้วิความเพียรจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีอียบทนอนอยู่มันก็ไม่หลับมันทางานของมันด้วยสติปัญญาอุดมสมบูยังต้องบังคับเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพื่อสมาธิได้พักตัว พอสมคงรแล้วถอยออกมาแล้วก้าวเดิด้วยปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเวลาก้าวปัญญาไม่ต้องไปห่วงสมาธิเอาเต็มเหนี่ยวพรอปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรแล้วเข้าพักสมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทาต่างทํางานว่าวต่างวาระกันเวลาเข้าสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องการคิดอัานใจ ต, ตรองทางด้านปัญญาต่อยให้หมดจิตจะสงบได้มากน้อยเพียงไรเอาให้สงบ น, นั่น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 ออกเรื่อยกว้างขวางออกเรื่อยละเอียดแล้วออเข้าไปเรื่อยเพราะกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรืเ่อยเรื่อยสติปัญญาซึ่งเป็นคู่แข่งกันคู่ปรับกันมันก็หมุนตัวของมันไปเองเรืเ่อยเรื่อยเวลาผ่าดโผลนตัวชญานนี่ผ่าดโผลนมากนะ <c oughs> เรื่องกิเลสกามกิเลสกามะตัญหาีอันนี้ผ่าดโผลนมากสีเดียว ใช้ความพิพจารณาร่างกายออกทางด้านปัญญาให้พิจารณาร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วแต่ความถนัดตูดดื่มในอาการใดของร่างกายมีเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้ผุงภายในนี้เป็นอริยสัตว์ตัวที่เราสมุทัยมันมัดมันสังไว้ทั้งนั้นแล้วพิจารณที่ขายนี้ออกไปด้วยมรรคสัตว์คือปัญญานั่น เมื่อคลี่คลายไปแล้วมันเห็นแล้วมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาอุปทานมามาถอยเข้ามานี่เรียกว่าปัญญาค่าที่ลสเห็นประจักษ์กับใจจากนั้นก็ก้า อ, อละเอียดละ อ, อ่อนถ้าถ้าถึงขั้นสติปัญญาถึงมาณแล้วยังไงความพ้นทุกข์เนี่มันแน่วแน่แน่วแน่ประหนึ่งว่านิพผานนี่เอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความเพียรมันถึงขั้นเลยถึงได้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 การพักผลก็เป็นอย่างนี้ผลของงานก็เป็นอย่างนั้นมันก็รู้กันอยู่ทีนี้ถึงวาลาที่ชวนจะทําก็ให้ทำอย่างนันแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้สิงก็ไม่เคยเห็นเห็นไม่ต้องไปหาดูตำราพูดแล้วสาธุนะเราก็เรียนมาแล้วตำราแต่เวลาตำราความจํากับกระลาความจรงิงมันฟัดเหี่ยงกันนี้โอ้ยความปัญญาความจําผิวเผินว่างั้นเลยนะ ปัญญาความจริงนี้เอาตัวจริงออกมาพิขายออกมาพินิพิจนาออกมาถอดมาถอนมาฆ่ามาฝันเห็นประจักษ์กับใจแต่ความจําที่เราเรียนนั้นมันมิจะจําไม่เฉยมันไม่ได้ถอดถอนยิ่งเลยนนะเรียนจบพระกายพิโดมันก็ไม่ได้ถอดถอนยิเลยถ้าไม่นําการศึกษาเราเรียนออกมาเป็นภาคปฏิบัติเพื่อสอนยิ่เลยแล้วอย่างไงก็ไม่สอนนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของเรานี่เรื่องปริยัติเลยผิวเผินไปหมดนะ โอ้อยู่ผิวผิวเพลินเพนนอกนอกโน่นแล้วเป็นเอกเทศเอกเทศไม่ได้กว้างขวางอะไรนะเออปริยัติหน่อยทําว่าพระไกรพี่ดุ๊กเลยท่านเอาแต่ส่วนสําคัญมาไม่ได้กว้างขวางนะเออแล้วว่าพระไกรพี่ดุกมือหนึ่งว่าครอบโลกฐานไม่ได้ครอบถ้าเป็นภาคปฏิบัติจับเข้าไปแล้วกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่กากันจนคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยออกจากภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติมารู้ความจริงอย่างนี้นั่น เพราะฉะนั้นความจำกับความจริงจึงต่างกันมากนะถ้าความจำเรียนไปเทั้งหลาก็มีแต่จำความสงสัยคืบคลานไปตามไม่มีรสละตัวเองเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดจนมาะทั่งถึงไม่ผ่านมันก็สงสัยนิพานนะั่นนี่แหละเรื่องของความจำไม่ได้ถอดถอนกิเลสตัวใดนะพอความจริงเจอเข้าไปทั้งหายว่ามันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างนี้นั่นอันนี้นเห็นอย่างนั้นนะความสงบเป็นขั้นขั้น ค่อยละเอียดเขาไปเรียกอขาไปมันก็เห็นชัดประจับตัวด้วยความจริงความจริงหายสงสัยเป็นัะดับจนกระทั่งถึงสมาธิเต็มผูมมันก็รู้ตัวเต็มผูมแต่มันไม่รู้ว่าควรจกการบำเพ็ญอย่างไรต่อไปอีก น, น่มันก็ติดสมาธิได้ผู้ที่กรู้เหนือเราไปแล้วท่างลากออกอย่างพ่อแม่อุน่นจันท์มันลากออกนั่นท่านเหนือเราแล้วก็ก้าวตามท่านมันก็ผ่านไปได้ผ่านไปแด้ไไดพราะออกมีด้านปัญญา รู้โทษรู้คุนด้วยปัญญาแล้วที่นี่ก้าวเลยอหะเรียกว่าภาวนามัย์ปัญญา <c oughs> แต่ก่อนเรียนในปริยัติท่านบอกว่าภาวนามย์ปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราก็งงเราไม่รู้เรื่องรู้เล่มทั้งๆที่เราภาวนาอยู่แต่ปัญญ า, าประเภทนี้มันก็ไม่เคยเกิด <c oughs> เวลาเรียนนังถืออยู่เราปฏิบัติตลอดนะผมไม่เคยรูนน้ละนะการภาวนาแต่มันไม่เคยเกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาอืม นั่นก็คล่อง ง, งพอถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนั่นถึงไหมละ่ะภาวนาเมายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยอะไรสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์เชียรูปเสียงกลิ่นเลกเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์แล้วจึงจะกระตุ้นจิตใจให้เกิดสิทติปัญญาที่อันนใจจองหลังนั้นก็ตามมีมากระทบกระเทือนก็ตามมันจะไปสนสติปัญญาของมันเป็นเรืๆๆๆ่อยๆเลยๆนั่นเรียวกว่าภาวนาเมญปัญญา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 ไม่สัมผัสมันก็คิดค้นหาเรื่องราวเพราะกิเลสอยู่ภายในใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วมันก็รู้เห็นเป็นลาดับลาดาบนี่เรียกวาวณามียปัญญามันชัดขนาดนั้นนะมันจึงกล้าพูดได้เนี่ย <c oughs> เรียนจดจำมามากน้อยมันไม่ได้กล้าพูดนะมันงง ง, ง, ง, ง, งู ป, าปาลาปลาไปงั้นเพราะมันลูกขึ้นมาภายในใจแล้วมันหายสงสัยหายสงสัยก้าหารฉันไต มาชมประถามไข่ถามไข่ประจักประจักประจักนั่นเรียกว่าความจริงยิ่ยงเก้าวขึ้นมหาวสตีมหาปัญญามันเชื่อมโยงกันนะภาวนามยปัญญากับมหาสติมหาปัญญานี้พอมภาวนามยปัญญาคล้องตัวเข้าไปมันก็เชื่อมโยงกับมหาสตมหาปัญญาตอนนั้นเป็นขั้นสืมทราบแล้ว <c oughs> มหาสตมหาปัญญานี้เป็นขั้นสืมทราบของสติปัญญาซึมทราบเรื่อย ล, ละเอียดไปเรื่อยกิเลสก็ะเอียอ่สัจมหาสิมหาปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟเผากิเลสมันก็เผามันไปเรื่อยนั่นเอาจนกระทาั่งไม่มีทางไปไ ล, ไปไลไป่กันเข้าไปไล่เข้าไปกิ่งการสาขาดอกใบทางเดินของกิเลสนับแต่ตาหูจมูกลิ้นกายอ่เป็นทางเดินเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมบัติมันก็ตามต้อนเข้ามาตามต้อนเข้ามา เริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาอสุภะอสุภังทุกขังนี่จังอาณาตารูปเขารูปรางรูปหญิงรูปชายรูปสัตว์บูคนด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นจังทุกข์อาณาตาตีต้อนเข้ามาเมื่อมันรู้สึกว่านั้นแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเพราะตาหูจมูกเลี้ยงกายเป็นทางเดินหากินของกิเลสอวิชชาอันนี้พอสติปัญญาตีต้อนเข้ามารู้เท่าทันเบื้องแบบแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามา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 เบื้องต้นจะขึ้นอันนี้สุะอสุพังก่อนอันนี้จังก็ทุกขังนัตตาแทบเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ที่หนักแน่นที่สุดได้แก่อสุภาสุพังแก้ความเป็นสุภาสุพังมันจนขาดกระจายลงไปแล้วจากนั้นก่อเป็นนามธรรมนั้นก็มีแต่เรื่องอันนี้จังทุกขของนัตตาคําว่าสุภาสุพังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายร่างกายหมดความหมายไปแล้วพิจารณาสุภาหาอะไรนมันอีมันก็รู้นี่น่ะมันปล่อยมันไม่เอา มันก็หล่อเทลามมาทำเวชนะสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจากไหนนั่นแหะไล่เข้าไปเเวชนาออกมาจากไหนคนตายมีเบชนาไหมเบชนามันอยู่กับคนเป็นคนเป็นมันก็จากกิจละซี่นะั่นไล่เข้าไปก็ไปอยู่ต้นต่อนั้นเสียเวชนะสัญญาสังขารมิญาญณญออกจากนั้นออกจากนั้นมันไล่ต้อนกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ขยับเข้าไปขยับถึงต้นต่อมันคืออมิชฌาแปลสถานที่เกิดสถานที่มึนหลงของสิ่งเหล่านี้ สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องมือนะพวกรูปเวชนาสัญญาสังการมิ ญ, ญานเป็นทางก้าวเดินของวิชาเป็นเครื่องมือหาจริงของวิชาเมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะต้อนกันเข้าไปถึงตัววิชาสิ่งนี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นทางเดินไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อวิชาอืมตัววิชาจริ ง, รงไม่ใช่สิ่งนี้นั่นมันก็ชัดหรอพอตั่งเข้าไปถึงนั้นแล้ว <c oughs> พังลงแตกกระจายลงไป ความมืดมัวหรือความสว่างการแจ้งแจ้งที่มีอยู่จิตขนาดไหนขนาดไหนเมื่อกิเลสยังของอยู่แล้วยังหาของสว่างเต็มตัวไม่ได้นะอืมันจะต้องมีมือมีมีมมัวมีหมองอยู่ประจำนั่นแหละความมัวหมองคือกิเลสมันปุกปิดบังหุ้มหอจิตดวงที่รู้จริงๆนั้นไว้ไม่ให้รู้เต็มสัดเต็มส่วนอันนี้พอสิงเหลยวนี้พิถูกพิจารณาเข้าไปเข้าไป จนกระทั่งถึงตัววิชาที่มันหุ้มห่ออย่างละเอียดสุ ข, ขุมพังกระจายไปแล้วปิดมันจ้าขึา้นมานั่นแหละเป็นหงว่าฟ้าดินถล่มเหนียววิชาพราคจากใจแต่นี้ความรู้นี้ออกเต็มเหนียวเลยเพราะว่ามีอะไรปิดบงังลี้ลับคำว่ามัวมัวเมียเมียไม่ไหม่คามัวมัวเมียมีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นพอกิเลสเปิดตัวไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาปิดบงังมันก็หาความมืนมัวมาจากไหน นี่แหละอาโลกโกุฎปาดีสว่างจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปถามไข่แม้ที่ศึกษาทุวางอันเลยนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็าไม่ชวนถามปเป็นธรรมเดียวกันสารทิฏโกรประกาศก้องโทษโลกธานอยู่แล้วให้รู้เองนเองท่านสอนเพื่อให้รู้เองแล้วรู้เองแล้วจะกลับมาถามท่านหาอะไรถ้า่งนั้นสันติโกก็ไม่มีความหมายอะไรสิพอไปถึงเนี่ยอ๋อนั่นอ๋อทานทีนี่แหละพอมันถึงขั้นนี้แล้ว เข้าถึงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมดกว้างขวางขนาดไหนน้ำมหาสมุทรเรือหลวงที่เป็นที่รับของแม่น้ํำสายต่งางๆที่ไหลหรวมลงไปกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมากว้างขวางขนาดไหนชั้นใดจิตใจของท่านพูทธเจ้าเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากสายทางแห่งการบําเพ็ญของตนของต น, นมาถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุขึ้นมาเป็นเดียวกันแล้วนั่น พระพเจ้ามีมากน้อยไหนถามหาอะไรอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้านี้พาไปกี่ปีเดือนไม่มี่ไม่ใหแต่ธรรมธาตุเหมือนกับน้ำมหาสมุทรเต็มท้งองอแผ่นดินดนะี่เห็นไหมละ่ะมหาสมุทรใครก็รู้นี่ว่าเป็นยังไงนี้ธรรมธาตุก็อย่างเดียวกันรวมยิ่งพูดไิสุดไหลเข้าสู่ธรรมธาตุและเป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องฝูนถามพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหน ออดีตอนาคตคือวันนี้พานมากี่ครั้งกี่วันไม่มีความหมายมารวมอยู่ในธรรมธาตุนี้หมดเลยพระอรหันตุทุกทุกองพระเจ้าพุทธเจ้าพุทธองค์พระพุทธเจ้าทุกองกอยู่เป็นธรรมธาตุกันหมดท่า น, า น, น, ม, น, นมันรู้ชัดอยา น, นเลยถึงนี่แหละคำว่าปฏิบัติท่านเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวเองไม่มีอะไรมาปีนบังลีลับที่จะสร้างอุปสรรคให้เจใจไม่มีเมื่อกิเลสตัวสร้างอุปสรรคหมด สิ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาสร้างบริสุทธิโล่งตลเวลาตังที่ขั้นแสดงไว้ใน เ, เก็บโมุขรานะสุเนี่ยโตโลกังเวคขั้สูงโมคราชัสดาสโตอัตตาทิ้งอูหัด จ, จ่าเอวังมัตจิตโรชยาเอวังโลกังเวคขั้นต่ำมัจจิราชานปัสสติดูกวามโมฆราส์เธอจึงพื้นบผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อนั่นนะเห็นไหมสดาสโตนะ่ มีสติทุกเมื่อนพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานนติที่เป็นความสาคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาเสียได้นั่นอัตตาที่อุหะจานั่นแล้วข้ามพ้นพญามาจุฬาไปเสียพญามาจุฬามองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่น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 มาเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะติดอะไรในสามเดนโลกธาตุนี้แล้วติดอะไรเช่นอย่างเขาที่เคยเห็นสิ่งนั้นนี้เราไม่เคยเห็นเอราก็ยอมรับเราไม่เขนห็นแต่แล้วไม่ได้ติดเราเราก็ไม่ติดจริงเหล้านั้ น, น, นเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ติดเนี่แน่เรียวกว่าไม่ติดตัวเองสัอย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งสามเดนสมมุตินีิว่าโลกธาตุนั้นแหะจิตเมรืรรคได้เข้าไปเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาตุล้วนๆเลย ธรรมชาติเนี่ยที่เป็นธรรมที่สุดดีไซน์ที่สุดน่ะพระพุทธเจ้าทรงทอดผัสสะคือธรรมชาตินี้เมื่อมาดูของสัตว์โลกวัตจักนี้มันก็เป็นถังขยะไปหมดเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เลยก็คือไฟเผาโลกได้แก่ที่เละเผาสัตว์นั่นเองเต็มอยู่ภายในจิตใ จ, ใจเองเออต้องกระดูไม่ได้ดมองดู สัตว์ตัวใดตัว ใ, ในสามเดือนลกกานมิตรสัตว์ที่กิ้งเป็นบ้าโดยกับกิเลสมันปูพรมให้นะเนี่ยพรมของกิเลสคือความเพลิดเพลินสิ่งที่เพลิดเพลินเห็นอะไรดีหมดนั่นะคือพรมอาสนะ อ, าาอันดีงามพรมของกิเลสที่ปูไว้แม้ที่สุดความไม่พอใจก็พอใจความโกรธความเียแค้นมันก็พอใจโกรธมันปูพรมไม่หมดนั่นนี่ยเคลือบน้ําตาลเคลือบน้ําตาลไว้หมด นี่เวลาดูด้วยสายตาของธรรมแล้วไม่มีอะไรสกกระโปรสม ม, มุมเกินกิเลสบางนั้นเลยแต่กิเลสมันบอกว่าสะอาดสอ้นสุดยอดของมันในสายตาของของธรรมแล้วสกกระปงสุดยอดไม่มีอะไรเกินกิเลสนั่นเหนือกันขนาดไหนฟังที่น่ะนี่แหละพระเจ้าทรงท่อพระเไทยโลกมันเสกสรรปัญนหยออะไรมันปูมันปูพรมราบเลีเ้ยบไปหมดเลยนะให้สัตว์ทั้งหลายเพลินเพลินอยู่เพลินกินเพลินหลับเพลินโลน เพลินนอนเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดีชั่วอะไรเพลินทั้งนั้นนะที่ชาติโลกไม่พอใจไม่มีติทั้งนั้นติดทั้นั้นนี่คือผรมของกิเลสมันเครือบน้าําตาลไม่เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วชาติโลกจึงหาทางฟื้นตัวไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ทำเข้ามาฟื้นตัวจึงต้องอาศัยเนี่ยเบื้องต้นตั้งแต่ภาวานาเนี่ยเอาเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นหมดสิ่งที่เก่านี้ไม่ต้องมาทูลถามมูรีเจ้า คิดว่ากิเลสมันปูผมอย่างไรไว้มันจะประจักษ์ในสายตาของธรรมที่อยู่ในหัวใจเราเองประจักษ์ตรงนี้แล้วถามใครมันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละความประจักษ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าธรรมที่ว่าเลื่อเรือเลด่เรืมันเลื่อทุกอย่างนะเพราะว่าเลิ่อเรือยังหยาบอยู่นะเลื่อใช้ทุกอย่างว่างั่นเลยเกินกว่าที่จะมาเทียบกับโลกมูดโลกพูดโลกสวมโลกฐานอันนี้ซึ่งเป็น โลกปูพรมของกิเลสหลอกลวงสายโลกให้ตายจมกองกันอยู่นี้ไม่มีวันเ็จหลาบอิ่มพอคือพรมของมันนี่แหละสายตาของทำ ม, มันดูไม่ได้อยู่แล้วแล้พระพุทธเจ้าไม่ชอบปะใสยังไงใครที่มายินดีในพรมเหล่านี้พงโมงกิเลสแล้วมันไปยินดีทำที่ไหนวะมันยินดีในพรมคือส้วมคือฐานของกิเลสที่มันหลอกเอาไวน้นี่ทั้งนั้นโลกอทำเรื่องของธรรมมันไม่ให้สนใจ ยิงต้องได้บุเบิกตรงนี้เอาให้หนักนี่แหละบุเบิกทําออกมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสมันปููปพรหมเอาไวน้นะแล้มันเห็นชัดเจนชัดเจนเห็นไปฏิเสดูไปทไหนโอ้มีแต่ความสกรปรกโสม ม, มสกรปรกโส ม, มมของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นรวมแล้วไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความสกรปรกนะแต่กิเลสมันก็เอาอย่างเยี่ยมของมันเหมือนกันว่าถือว่าเป็นของสะอาดที่สุดแล้วอืม ในสายตาของคนตาบอดอย่างพวกเราโง่งันหมดสายตาคงทำจ้าทีเดียวนั่นนันเป็นอย่างนั้นนะ้ากันตั้งใจนะผมมีถุวิจารณ์เขาหมู่กับเพื่อนและใครที่จะมาเทศอย่างจริงอย่างจังไม่สงสัยอย่างนี้แล้วอยากกับพวกนี้แล้วไม่ใช่อดอว ด, อดตัวนะพูดให้ไปที่มั่นใจของหมู่เพื่อนว่าที่เทศสอนหมู่เพื่อนนี้ไม่มีผิด แน่นอนพราะผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางสเสบียดของกิเลืแล้วของทแล้วผ่านมาหมดเต็มหัวใจของเราแล้วเราจึงได้นำมาเปิดให้พี่น้องให้พวบรรดาลูกปิดลูกหาพระเนี่ยทั้งหลายได้ยินได้ล่าให้ตั้งใจปฏิบัตินะ่ะ <c oughs> โลกอันนี้มันโลกโศกปลูกสโสมมที่สุดแล้วอ๋อมันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วไม่มีไม่มีหลักมีเกณฑ์นนะ ไลยไหนก็ถามดูสินะโลกเกลื่อนอยู่ในวัฏทุกวัฏจักอันนี้หมุนเวียนอยู่ด้วยกองทุกเผาหัวใจอยู่ก็เวลานี้ใจดวงใดนนะพอที่จะมีฝั่งมีฝามีเกาะมีดอนเป็นที่ที่ถึงตัวเองเป็นที่มั่นใจมีไหมมันไม่ได้มีนะมันดิ่ดมันดิ่ดเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรนั่ น, นี่ยะว่ายลอยอผมแป๋มผมแป๋ม ฟังไม่อยู่ที่ไหนไม่รู้หากไหวหากลอยอยู่นั่นแเออไม่ไม่ไหวไม่รอยมันก็จะตายบวบันเทาอวันบ้างแต่ฟังฝาที่ก่อที่ยึดไม่หนีนี่เรสัตว์โต้ที่จมอยู่ในมหาสมุทรมหานิยมก็ เ, เป็นแบบเดียวกันไม่ผิดกันแม้กระเบียดเดียวกันเลยนะไม่มีฝั่งมีฝาถ้าไม่มีทำไปที่ยึดที่ก่อที่อย่างเดียวฉะนั้นเหมือนกับคนตกน้ําในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละ <c oughs> นี่เราจึงสร้างฝั่งฝาของเราให้ดีด้วยสมาธิศีลอย่ ให้มีเกตนาล้ายเข้ามาแฝงนะเอาให้ระมัดรวังให้ดีแป็นที่ภูมิใจในศีลตัวเองเมื่อไม่มีความกังวลและแค่ระขายกับศีลแล้วการทำสมาธิมันก็ทำได้ง่ายเพราะไม่เป็นกังวลสมาธิก็บังคับอย่างที่ว่าอย่างนีนะ้เอาให้จริงให้จังแล้วจะเมื่อไม่ถอยอย่างที่เก่านี้จะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นช่องทางที่เราจะก้าวเดินได้เพื่อความเบิกกว้างแห่ง ความสมงบเงย็นเป็นสมาธิขึ้นมาก้าวจากสมาธิก็ขึ้นปัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยถึงนี้มุดหลุดพ้นจ้าไปหมดเลยถามมาอะไร <c oughs> นี่ละที่นี่เมื่อมันมันเลยทุกสิทุกอย่างแล้วทิริยาของทา่าของขันอย่างเราเป็นพลาดอย่างนี้นะ้ <c oughs> ผมเอามาเทียบหมุนะนี่ผมพูดในวงภายใน <c oughs> คือสักจะว่าใช้จะตามทิฏยาของสมุทนา น, นที่ว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็น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 ที่ยอมรับปั่นยอมรับกั่นไอ้ส่วนธรรมชาติของกิจที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเสียธาตุขันไม่ไม่เลยมันมันอยู่ในสมมติก็ต้องปฏิบัติกันไปตามเรื่องราวของมันเท่านั้นเองที่ใช้ท่านมาเดือดร้อนกับสิ่งที่ผิดที่พลาดละไรทั้งหมดผิดก็ไม่มีพลาดก็ไม่มีถูกที่ไหนจะมีท่านเลยจะหมดแล้วอันนี้เป็นสมมุติมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วจิตอันนั้นละผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรอืมเรียกว่าวีมูท อันนั้นเป็นอีกอันหนึ่ง <c oughs> นี่จะเอามาพูดให้ฟังนี่เป็นเรื่องลี้ลับอันหนึง่งที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งขันแล้นนี้สลายไปการรักษาทุกสิง่งทุกอย่างตามหลักของพระต้องสมบูรณ์แบบตามเดิมให้เหมาะกันกับสมมูลขั้น ของธาตุของขันความดีดความยิ้นกิริยาท่าทางที่อยู่ในสมมุติก็ให้เหมาะสมกามหลักของพระที่อยู่ในสมมุตินั่นส่วนจิตนั้นเราไม่เอามาพูดเลขึ้นเลยแล้วก็ยกให้เป็นเลยแล้วอยู่ในแดงสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมูินะเป็นอย่างนั้นนะนี่ศาสนาเวลานี้แหมติดกันอันทุกข์เข้ามาเข้ามา <c oughs> ดูไปไหนเวลานี้มันจะไม่เห็นนี่เดียวของศาสนาติดพระติดเนรติดคารวะญาติโยมติดชาวพูดเหล่านั้นมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นหุ้มห่อเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งประชาชนญาติโยมทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเหล่ามันไม่ได้มองเห็นนี่เดียวของธรรมพานมัตตระหว่างการปฏิบัติตัวเพื่ออัดเพื่อทำติดตัวอยู่บ้างเลยนะเวลานี้ มันมีตะ ก, ก, ก, กิเละฉุดล่างไปตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็จมไปนี่จมไปอย่างนี้แต่หนาวเยเจ้ามันจึงค่อยถูกปิดถูกบังไปเรื่อยด้วยอำนาจของกิเลสเศษสันตัปัญญารวเป็นทองทั้งแถ่งขึ้นมาเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเมายียบย่ำทองทั้งแท่งคือทำให้กายเป็นขี้มูลาเป็นเศษเป็นเดยไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาก็สิ่งที่กิเลสเศษสันบัญญ์ให้สัตว์ทั้งหลายปิดพัน์มัน ชอบมันนั่นแหละจึงเอากีเดยียเหล่านี้มาใช้เป็นกีเดีของกิเลสทั้งหมดโลกเลยกลายเป็นโลกว่าสะอาดด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวโชกโภกมากที่สุดนั่นเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นทุกจึงไม่ห่างเหินจากสัตว์โลกที่หลงตามกิเลสซึ่งมันหลอกลวงตลอดมาทำถ้าไม่หลอกลวงมีทำมากทำน้อยมีความสงบเรื่องเด่ยนยิ่งทําเปิดจ้าภายในใจแล้วหาความทุกมาจากไหนว่างั้นเลยบรมมาสุอะไรจะเกินจิตที่บริสุทธิ์ว่าน เรื่องธาตเรื่องขันก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บนั่นปวด น, นี้มันก็อยู่ผิวผิวเผนเผนก็รู้มันอยู่ฮนะมันก็มีเท่านั้นศาสนา จ, จะจมหมดแล้วนะเวลานอจะไม่มีอะไรเหลือนะ่ะเพราะอํานาจของกิเลสมันตีตลาดนะไม่ดูกิเลตีตลาดจนขยะขยงนะผมพูดจริงๆนะนจนจะดูไม่ได้ดูพระดูเนนดูฟู่เดียวกันมันก็จะมองกันไม่ทั่วหน้านะ คือมันมันไม่เป็นที่ไว้ใจมันขวางหูของตาก็คือขวางศีลของธรรมของผู้นั้นผู้นั้นนั่นแหละแล้วมันก็ดูไม่ได้ผู้รักษารักษาอยู่นี่ไอ้ผู้ที่เล่อนเล่อผู้ที่ทํำลายมันก็ทําลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านไม่มีอย่างอายให้เห็นนีู่แล้วแล้วเป็นยังไงมันจะโปร่งใจต่อกันได้ยังไงพวกเดียวกันก็ดีเพี่พนพระเช่นเนรอย่างเร า, เราท่านท่านมันก็ปร่งใจกันไม่ได้เพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่นี่ แต่ผู้หนึ่งมาทำลายให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสนีทกันได้ยังไงคนเรานี่นะที่ว่าแตกเป็นี่กายนั้นนีกา ย, ยานี้เพราะว่าเมื่อมันผาดโผนจุลชีพยานมากกินไปมันก็แตกกันได้แล้วตั้งนีกายนั้นที่มานีกายนี้ขึ้นมาแล้วก็แต ก, กไปอีกไปอีกอยู่นั่นแหะเพราะนี่เหลยมันไม่ถอยที่จะสมานไม่มีกิเลสมีแต่ทำให้แตกเรื่อยๆไปถ้าเราไม่เอาธรรมเข้าแน่หนามันโก่งแล้วสมานไม่ได้นะอันนี้มีแต่ความแตกกันนะ่ ะ, ะวันนี้ก็พูดเพียงตัวนี้แหละพอเหนื่อยแล้ว